เพื่อมาสร้างสวรรนคะสร้างที่พึ่งทางจิตใจเพราะจิตใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งเพื่อจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขที่พึ่งทางกายพวกเราก็มีการพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วนั่นก็คือปัจจัยสี่ ได้แก่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มส่วนที่พึ่งทางใจพวกเราก็พอมีอยู่บ้างแต่ยังมีไม่มากพอยังมีไม่มากไม่ไม่มากที่จะทำให้จิตใจนั้นอยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายได้ เราจึงต้องมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นด้วยการมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นสาระที่พึ่งขึ้นมาภายในใจที่พึ่ง ที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงนั้นก็คือพระรัตนไตรันี้เอง <c oughs> คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ <c oughs> เป็นที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงเพราะสามารถปกป้องรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำ ทำลายได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ตามความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามความตายก็ตามการพัดรากจากสิ่งที่รักก็ตามหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็ตามจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ ให้แก่ใจที่มีสาณะคือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยแต่ใจที่ยังไม่มีพระรัตนตรัยประดิษฐานอยู่ในใจถึงแม้จะมีความเขารบเรื่มใสศรัท ธ, ธาในพระ ร, รัตนตรัยกราบไหว้พระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำก็ตามก็ยังไม่ ได้พระรันาตนตรไว้ภายในใจก็จะไม่สามารถปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้พระรันาตนตรัยถึงแม้จะเป็นสวรณะที่ประเสริฐอย่างยิ่งก็ยังถ้ายังอยู่ภายนอกใจอยู่ ก็ยังไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใจเหมือนกับยารักษาโรคที่มีอนุภาพสามารถรักษาโรคไภัยไข้เจ็บต่างๆได้ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ร่างกายยาก็จะไม่สามารถรักษาร่างกายให้หายจากการเจ็บไข้ได้ผลได้จนกว่า จะนำยานี้เข้ามารับประทานเข้ามาสู่ร่างกายยาจึงจำมีโอกาสที่จะทําหน้าที่ของตนคือรักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้พระรัตนาไตรที่เรากราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันนี้ mm hmm. ก็เป็นเหมือนยาที่เรายังไม่ได้รับประทาน เข้าไปสู่ร่างกายนั่นเองเรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้มีคูบาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้กราบไหว้เรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ศึกษาไว้ฟังไว้อ่านแต่ถ้าเราไม่นำเอา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราแล้วพระรัตนตรัยก็ยังไม่ได้มีอนุภาพพอที่จะปกป้องจิตใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้เราจึงต้องน้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้าสู่ใจของเราให้ได้และวิธีที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเรานั้นก็อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วก็จะปรากฏ ผลขึ้นมาในใจเราปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาในใจเราที่เรียกว่าธรรมจกักษุนั่นเองคือมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระสงค์พระอริยสงฆ์นั่นเอง นี่เมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วก็จะปรากฏมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะอยู่ภายในใจที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้าเราได้ธรรมะจักสุ ข, ขั้นที่หนึ่ง คือขั้นของพระสวดาบันใจของเราก็จะได้รับการปกป้องไม่ให้ต้องไปตกนรกหมกไหม้อีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในอบายทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือนรกผู้ที่ได้บรรลุผลมีธรรมจักสุขขั้นที่หนึ่ง คือพระสโสดาบันนี้แล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนนี่คือพระรัตนตรยที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจในขั้นที่หนึ่งและจะทำให้พบชาติที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายนั้นลดลมเหลือไม่เกินเจ็ดภพชาติเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ได้พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะขั้นที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าได้ได้ขั้นที่สองก็จะทำให้พบชาตินี้เหลือเพียงชาติเดียวจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่เกินหนึ่งชาติก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วถ้าได้ขั้นที่สามก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแต่จะปฏิบัติเพื่อทำขั้นที่สขั้นที่สี่ได้ในสวรรค์ชั้นพรมโลกคือขั้นของพระอนาคามีผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาภพคือภพของมนุษย์ รื้อพบของเทพอีกต่อไปพอได้ขั้นที่สามขั้นของพระอนาคามีแล้วจิตของท่านก็จะหมดความอยากในกามสุขคือท่านจะไม่มีกามอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจเมื่อไม่มีกามารมณ์อยู่ในใจไม่มีกามาตัณหาอยู่ในใจก็จะไม่ กลับมาเกิดในกามพกที่เกิดของมนุษย์และของเทพแต่จะดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่ห้าขั้นด้วยกันแล้วก็จะบรรลุธรรมจักษุขั้นที่สี่คือขั้นพระอวาหาันได้เข้าถึงพระนิพพาน ได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาปฏิบัติธรรมะอย่างพวกเราทั้งหลายสามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ในขั้นสวรรค์ชั้นพรมโลกได้เลยนี่คือสาระที่พึ่งทางใจของพวกเราเป็นอย่างดีต้องนำเอาเข้ามาสู่ใจอย่าไปคิดว่า เวลาที่เราได้เปนว่าจกว่าพุทธังธรรมังสาคังสระนังกระฉานิี้แล้วจะทำให้เรามีสาร ะ, ะที่เพิ่งในจิตใจถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ควรจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเช่นเราไม่ควรที่จะต้องทุกข์กับความแก่ ไม่ต้องทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทุกกับความตายไม่ต้องทุกขกับการพลาพาจากกันไม่ต้องทุกกับการประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่พวกเรายังต้องทุกกับสิ่งเหล่านี้อยู่แสดงว่าพวกเรายังไม่ได้เอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ในใจเหมือนกับ ที่ไม่ได้รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเบียดเบียนร่างกายเราอยู่ยังไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเราจึงต้องรับประทานยาคือธรรมโอสถนี้ด้วยการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรม เรียกว่าปฏิเวทธรรมนี่คือผลขั้นตอนของการน้อมนําเอาพระรัตนตรัยเข้าสู่จิตใจการศึกษาก็เพื่อเรียนรู้ให้รู้ว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นอย่างไรเป็นอะไรนั่นเองเช่นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรถึงเราถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้า ทำไมเราไม่เรียกท่านว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหาจักรพรรดิเพราะท่านมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินไม่เหมือนกับพระมหาจักรพรรดนั่นเองคําว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ตัดสู่รมโดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองคือสามารถ น้อมนำเอาธรรมะนี้เข้าสู่พระทัยของพระองค์เองได้โดยไม่มีใครสั่งสอนทรงปฏิบัติทรงศึกษาคน้าคนค้นคว้าหาธรรมะที่มีอยู่แล้วก็น้อมนำเอาเข้าสู่จิตใจของพระองค์จนได้ตัดสิน เป็นพร ะ, ะอารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ด้วยพระ อ, องค์เองนั่นเองส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันตขึ้นมาจะไม่เรียกตนเองว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะเรียกตนเองว่าอารหันตสาวกคำว่าสาวกแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็จะเป็นพระอรหันตสาวกส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ ที่จะสอนธรรมะให้แก่ท่านท่านต้องสอนด้วยตนเองด้วยการค้นคว้าด้วยการทดลองวิธีการต่างๆที่จะทําให้เกิดธรรมะขึ้นมาภายในใจบุคคลที่จะเป็นพระอรันตสามมาสามพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่หายากอย่างยิ่งเพราะผู้ที่จะสามารถสอนตนเองให้บรรลุ เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายไดเหมือนกับการสั่งสอนให้เป็นอาหารหันตสาวกเพราะอาหารหันตสาวกนี้มีคนนำทางมีคนชี้ทางมีแผนที่เพียงแต่เดิ น, ดนตามเท่านั้นเองก็จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ แต่พระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้านี้ไม่มีแผนที่ไม่มีผู้นำทางต้องหาทางด้วยตนเองลองคิดดูซิว่าความยากง่ายจะต่างกันมากน้อยเพียงไรถ้าพวกเราต้องเดินทางไปสู่สถานที่ที่เราไม่เคยไปแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่มีแผนที่ ไม่มีคนนำทางเราจะเดินไปเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างไรเราก็ต้องทดลองไปทุกทิศทุกทางตอนต้นก็ลองออกไปทางทิศเหนือดูถ้าไปแล้วไม่ถึงก็ต้องไปทางทิศใต้ดูถ้ายังไม่ถึงก็ต้องไปทิศตะวันออกถ้ายังไม่ถึงก็ต้องไปทิศตะวันตกถ้ายังไม่ถิถ้ายังไม่ถึงก็ต้องไปทิศอื่น ไปจนกว่าจะถึงถ้าเรามีความมุมั่นมีความภาคเพียรพอสักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆมาด้วยความกล้าหาญอดทนด้วยความภาคเพียรจนในที่สุดหลังจากได้ทดลอง วิถีทางต่างๆจนหมดแล้วถึงจะได้พบกับวิถีทางวิถีทางที่พระองค์ทรงปรารถนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี้แสนลำเค็ญแสนลําบากอย่างยิ่งต่างกับการเป็นอรหันตสาวก ที่สามารถบรรลุกันได้อย่างรวดเร็วถ้ามีผู้สอนพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแล้วประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นพอได้ยินได้ฟังก็บรรลุทำกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกเท่านั้น ก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกปรากฏขึ้นมาอย่างน้อย 1,250 รูปแล้วนั่นก็คือวันที่เรียกว่าวันมาคบูชาเจ็ดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือน8วันวันอาสารหบูชา หลังจากนั้นก็ทรงสั่งสอนไปได้เรื่อยพอได้เวลาเจ็ดเดือนคือวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบูชา mm. ก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกหนึ่นรูปร่วมกันเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศ ต, ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าก่อน mm. นี่คือความมหัศจรรย์ ของพระธรรมรัตนะก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความมหัจจัร์ของพระพุทธเจ้าที่สามารถสั่งสอนให้ผู้ที่เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านนี้บรรลุเป็นพระ อ, อรหันตัตถารกในเวลาอันรวดเร็วนี่คือ เรื่องของพระรัตนตัยเป็นอย่างนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็มีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องมือแล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่รับหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จดับขันธปินิพาน์ จากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีพระอรหันตสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านําเอาพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปพวกเราจึงมีบุญมีวาสนามาก ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่พวกเรายังมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่เพราะเรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการสืบทอดโดยพระอรันตสาวกนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา พวกเราเพียงแต่ทำหน้าที่ของพุทธบอยศัทที่ดีก็คือพยายามตั้งใจศึกษาพระธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาพระสาวกระะประวัติดูว่าท่านทำตอนอย่างไรท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรจึงทำให้ท่านได้ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กั น, เ, นเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้มีแนวทางมีแบบฉบับมีตัวอย่างที่เราสามารถนำเอามาใช้เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับของเราได้แล้วเมื่อเราปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ รับอนิสงค์ของการปฏิบัติคือจะได้มีพระรันาตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ไปตามลำดับได้อย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอาหารหันตสาวกผู้สั่งสอนพวกเรา แต่อยู่ที่ตัวพวกเราเองต่างหากนี่ก็คือสาระอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีนั่นก็คืออัตตาหิอั ต, ตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ศึกษาริ่มเรียนพระธรรมคำสอนตนต้องเป็นผู้นำเอาเพราะธรรมคำสอนของพรอพุทธเจ้ามาปฏิบัติ กับกายวาจาใจของตนเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวฉุดลากให้ใจนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดให้ไปแก่ให้ไปเจ็บให้ไปตายให้ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกแล้วเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองดังนั้นอย่าไปหวังให้พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกช่วยปฏิบัติแทนเรา ท่านปฏิบัติให้เราไม่ได้แทนเราไม่ได้ท่านเพียงแต่เป็นผู้นำทางเราต้องเดินตามทางที่ท่านนำพาไปถ้าเราไม่เดินตามไปเราก็จะอยู่ที่จุดเดิมของเราอยู่ในขณะนี้เราเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเดินตามที่ท่านพาเราไปเราก็จะ ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราจะมีพระรัตนตรัยประดิษฐานอยู่ในใจของเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีพระรัตนตัยอยู่เต็มหัวใจ เ, เมื่อมีเต็มหัวใจแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะจะไม่มีมีที่ให้ความทุกข์เข้าไปเหยียบย่ำแก่จิตใจนั้นเองเพราะทุก ตารางนิ้วของหัวใจของเรานี้ถูกครอบคลุมด้วยพระรัตนตรัยนั่นเองนี่คือเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างแบบนี้สร้างด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาเช่นวันนี้เรามาศึกษาเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้าง เราก็ต้องทาเราต้องศึกษาให้มากให้รู้ว่าการที่จะทำให้พระรัตนาตรัยนี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเรานี้ปรากฏได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงสรุปไว้สามข้อใหญ่ๆคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเสียเช่นให้ละการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปฏด เสพสุรายาเมาสิ่งเหล่านี้อย่าไปสงสัยว่ามันมีคุณค่าเลยขอให้รู้เลยว่ามันเป็นยาพิษอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยเด็ดขาดคือนี่คือบาป ท, ที่เราจะต้องละแล้วก็ต้องทำความดีทั้งหลายให้ถึงพรเช่นการทำบุญให้ทานการนั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์การเจริญวิปัสนาเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในความควบคุมบังคับของเรานี่คือหน้าที่ที่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันละบาปแล้วก็ทาบุญ แล้วก็ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีอยู่สามข้อใหญ่ๆนี้เท่านั้นที่จะทําให้เรามีพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจของเราไว้คอยปกป้องรักษาไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าหัวใจของเราไม่มีใครทําให้เราได้ผู้อื่นทําให้เราไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไข่ก็ตามบิดามารดาก็ทำให้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราไม่ได้เพื่อนฝูงก็ทำให้เราไม่ได้ลูกหลานก็ทำให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทาเองจึงอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งควรจะรีบเร่งทำเสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะเวลาของเราไม่แน่นอนเราอยู่ในโลกของอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของตนจะหมดไปเมื่อไรไม่มีใครรับประกันใครได้ดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทต้องคอยเตือนตนอยู่เสมอว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง ไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างพระรัตนใจให้เกิดขึ้นมาภายในใจด้วยการละบาป ท, ทั้งหลายด้วยการทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทุ่มเทเวลามเวลาของเรา ให้หมดไปกับการปฏิบัติภารกิจทั้งสามประการนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่นานและจะได้ผลอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงน้อมนำเอาเรื่องของการสร้างพระรัตนตรัยพระสารณะที่ประเสริฐนี้ให้เกิดขึ้นในใจนำเอาไปพินิจพิจารณา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 ด้วยอายุวันนสุขะพละโดยทั่วหน้ากัางเธอ